เทสิบนักษัตว์ล่วงมาอีกปีหนึ่งท่านพระยาผู้หนึ่งเคยนิมนต์พระมาสแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังอยู่เนืองๆที่บ้านของท่านวันหนึ่งท่านคิดอยากจะฟังเทศจตุราริยสัตว์หืออริยสัตว์สจึงใช้บ่าวคนหนึ่งว่าเจ้าจงไปนิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จมาเทศจตุราริยสัตว์สักการหนึ่งในค่ำวันนี้ท่านหาได้เขียนดีกาบอกชื่ออริยสัตว์ให้บ่าวไปไม่ บ่าวก็รับคำสั่งไปนิมนต์เจ้าพระคุณสมเด็จที่วัดว่าเจ้าคุณที่บ้านให้มาราธนาเจ้าพระคุณไปแสดงธรรมที่บ้านค่ําวันนี้เจ้าพระคุณสมเด็จจึงถามว่าท่านจะให้เทศเรื่องอะไรบ่าวลืมชื่ออริยสัจเสียจําไม่ได้นึกคเนียได้แต่ว่าสิองนักสัตว์ขอรับผมแล้วก็กราบลามาฝ่ายเจ้าพระคุณสมเด็จก็คิดว่าเห็นท่านพระยาจะให้เทศอริยสัจ แต่บ่าวลืมชื่อไปจึงมาบอกว่าสิบสองนักสัตว์ดังนี้พอถึงเวลาค่ำท่านก็มีลูกศิษย์ตามไปเข้าไปแสดงธรรมเทศนาที่บ้านทันระยาผู้นั้นมีพวกอุบาสกอุบาสิกามาคอยฟังอยู่ด้วยกันมากเจ้าพระคุณสมเด็จจึงขึ้นทร ม, มาศให้ศีลบอกพุทธศักราชและตั้งนโมสามหนจบแล้วจึงว่าจุ น, นียบทสองนักสัตว์ว่า มุสิโกอุสโภพยาโคสะโโนาโคจนถึงสุกโกรแล้วแปลเป็นภาษาไทยว่ามุสิโกหนูจนถึงสุก โ, โกรสุรสกรฝ่ายท่านพระญาเจ้าของกันกับพวกสัพพรุษทายกทายิกาก็มีความสงสัยว่าทำไมเจ้าพระคุณสมเด็จจึงมาเทศ12นักสัตว์ดังนี้เล่าและสงสัยว่าบ่าวจะไปนิมนต์ท่านเรียกชื่ออริยสัจผิดไปดอกกระมัง ท่านพระยาจึงเรียกบ่าวคนนั้นเข้ามาถามว่าเจ้าไปนิมนต์เจ้าพระคุณสมเด็จเทศเรื่องอะไรบ่าวก็กราบเรียนว่านิมนต์เทศเรื่องสิองนักสัตว์ขอรับผมท่านพระยาจึงว่านั่นประไรเล่าเจ้าลืมชื่ออริยสัตว์ไปเสีแล้วไปคว้างเอา12นักสัตว์เข้าท่านจึงมาเทศตามเจ้านิมนต์นั่นสิฝ่ายเจ้าพระคุณสมเด็จก็เป็นผู้ฉลาดเทศท่านจึงอธิบายบรรยายหน้าธรร ม, มาธว่า อาตมาภาพก็นึกอยู่แล้วว่าผู้ไปนิมนต์จะลืมชื่ออริยสัตว์เสียไปบอกว่าท่านให้นิมนต์เทศ12นักสัตว์อาตมาภาพก็เห็นว่า12นักสัตว์นี้คือเป็นต้นทางของอริยสัตว์แท้ทีเดียวยากที่บุคคลจะได้ฟังธรรมเทศนาเรื่อง12นักสัตว์สักครั้งสักหนเทศที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เทศอริยสัตว์ทั้งนั้นไม่มีใครจะเทศ12นักสัตว์สู่กันฟังเลย ครั้งนี้เป็นบุญลาบของมหาพพทธเป็นอัศจรรย์เทพพยเจ้าผู้รักษาพระพุทธศาสนาจึงได้โดนบันดาลที่ผู้รับใช้เคลิิมไปให้บอกว่าเทศ12นักสัตว์ดังนี้อตมาภาพก็มาเทศตามผู้นิมนต์เพื่อจะให้สาธุชนและมหาพพทธเจ้าของกันได้ฟังธรรมเทศนาเรื่อง12นักสตัตว์อันเป็นต้นทางของอริยสั์ทั้งสจะได้ธรรมสาวนานิสงอันล้ำเลิศ ซึ่งจะได้ให้ก่อเกิดปัญจเวคขณะยานในอริยศัสตร์ทั้งสี่แท้ที่จริงทมเนียมนับปีเดือนวันคืนนี้นักปราชญ์ผู้รู้โหราศาสตร์แต่กั้งโบราณต้นปฐมกาลในชมพูทวีบัญญัตตั้งแต่งขึ้นไว้คือกำหนดหมายเอาชื่อดวงดาราในอากาศเวหามาตั้งเป็นชื่อปีเดือนวันดังนี้คือหมายเอาชื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ ดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์ดาวเสาร์รวมเจ็ดดวงมาตั้งเป็นชื่อวันทั้งเจ็ดวันและให้นับเวียนไปเวียนมาทุกเดือนทุกปีหมายเอาชื่อดวงดาวรูปสัตว์และดาวรูปสิ่งอื่นๆมาตั้งเป็นชื่อเดือนทั้งสิบสองเดือนมีดังนี้คือเดือนเมษายนดาวรูปเนื้อเดือนพฤษภาคมดาวรูปบัวผู้เดือนมิถุนายนดาวรูปคนคู่หนึ่ง เดือนกรกฎาคมดาวรูปปูป่าหรือปูทะเลเดือนสิงหาคมดาวรูปราชสีเดือนกันยายนดาวรูปนางสาวที่น่ารักใครเดือนตุลาคมดาวรูปคันช้างเดือนพฤศจิกายนดาวรูปมแมลงป่องเดือนธันวาคมดาวรูปธนูเดือนมกราคมดาวรูปมังกรเดือนกุมภาพันธ์ ดาวรูปหม่อหรือเจ้าระเข้เดือนมีนาคมดาวรูปปลาทะเพียนรวมเป็นสิองดาวหมายเป็นชื่อสิบสองเดือนหมายเอาดาวรูปสัตว์สิบสองดาวที่ประทับอยู่ในท้องฟ้าอากาศเป็นชื่อปีทั้ง12ปีดังนี้คือปีชวดดาวรูปหนูปีฉลูดาวรูปวัวตัวผู้ปีขานดาวรูปเสือปีเถาะดาวรูปกระต่าย ปีมะโรงดาวรูปงูใหญ่คือนาคปีมะเสงดาวรูปงูเล็กคืองูธรรมดาปีมะเมียดาวรูปมา้าปีมะแมดาวรูปแพะปีวอกดาวรูปลิงปีระกาดาวรูปไก่ปีจอดาวรูปสุนัขปีกุนดาวรูปสุกรรวมเป็นชื่อดาวรูปสัตว์12ดวงตั้งชื่อเป็นปี12ปี ใช้เป็นธรรมเนียมเยี่ยงยางนับปีเดือนบันคืนนี้เป็นวิธีกำหนดนับอายุการแห่งสรรพสิ่งสรรพสัตว์ในโลกทั่วไปที่นับของใหญ่ๆก็คือนับอายุโลกธาตุนับเป็นอัตรากันมหากันพัทรากันเป็นต้นและนับอายุชนเป็นรอบๆคือ12ปีเรียกว่ารอบหนึ่งละ12รอบเป็น144ปี แต่มนุษย์เราเกิดมาในกะลียุคนี้กำหนดอายุปเป็นไขเพียง100ปีและในทุกวันนี้อายุมนุษย์ก็ลดถอยลงน้อยกว่าร0อปีก็มีมากที่มีอายุกว่าร้อยปีขึ้นไปถึง150ปีหรือ200ปีก็มีบ้างในบางประเทศตามจุดหมายเหตุของประเทศต่างๆได้กล่าวมาแต่มีเป็นพิเศษแห่งละหนึ่งคนสองคนหรือ3ามคนสี่คนเท่านั้นอาจเสมอทั่วกันไปไม่ แต่ที่อายุต่ำกว่าร้อยปีลงมานั้นมีทั่วกันไปทุกประเทศจึงเป็นที่สังเกตได้ว่าคําเรียกว่ากะลียุคนี้เป็นภาษาพราหมณ์ชาวชมพูทวีปแปลว่าคราวชั่วร้ายคือว่าสัตว์เกิดมาภายหลังอันเป็นครั้งคราวชั่วร้ายนี้ย่อมทํำบาปอากุศลมากจนถึงอายุสัตว์ลดน้อยถอยลงมากด้วยสัตว์ที่เกิดในต้นโลกต้นกาล น, นั้น เห็นจะมากไปด้วยเมตตากรุณาแก่กันและกันชักชวนกันทำบุญกุศลมากอายุจึงยืนหลายหมื่นหลายพันปีและยังจะต่อลงไปข้างปลายโลกบางทีสัตว์จะทำบาปอากุศลยิ่งกว่านี้อายุสัตว์บางทีก็จะเรียวน้อยถอยลงไปจนถึง1ิปีเป็นไขและสัตว์มีอายุเพียงหปีจะแต่งงานเป็นสามีภรรยาต่อกันก็อาจจะเป็นไปได้และในสมัยเช่นกัน อาจจะเกิดมิคสัญญีขาดเมตตาต่อกันและกันอย่างประหนึ่งว่าในพรานสำคัญในเนื้อจะค่าฟันกันตายลงเกลื่อนกลาดดังมัจฉาชาติต้องยาพิษทั่วไปในโลกแต่สัตว์ที่เหลือตายนั้นจะกลับบ่ายหน้าเข้าหาบุญก่อสร้างการกุศลฝูงคนในครั้งนั้นจะกลับมีอายุยืนยิ่งยิ่งขึ้นไปจนอายุตลอดอสงไขซึ่งแปลว่านับไม่ได้นับไม่ทวน ภายหลังสัตว์ทั้งปวงก็กลับตั้งอยู่ในความประมาทก่อสร้างบาปอากุศลรุ่นๆไปอีกเล่าอายุสัตว์ก็กลับลดน้อยถอยลงมาอีกตามธรรมดาของโลกเป็นไปดังนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าของเราผู้เป็นพระสัพพัญยูตรัสรู้แจ้งในธรรมทั้งปวงพระองค์จึงทรงแสดงธรรมที่จริงสประการไว้ให้สัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งคือหนึ่งความทุกข์มีจริง สสิ่งให้เกิดทุกมีจริง 3. ามทำเป็นที่ดับทุกมีจริง 4. ข้อปฏิบัติให้ถึงทำเป็นที่ดับทุกมีจริงนี่แหละเรียกว่าอริย ส, สัจสีคือเป็นความจริงสีประการซึ่งเพิ่มอริยะเข้าอีกคำหนึ่งนั้นคำอริยะแปลว่าพระผู้รู้ประเสริฐอย่างหนึ่ง พระผู้ไกลาจากกิเลสอย่างหนึ่งรวมอริยสั จ, จสองคำเป็นนามเดียวกันเรียกอริยสัจและเติมจตุระสังขยานามเข้าอีกคำหนึ่งและแปลงตัวอะเป็นตัวอาเพื่อจะให้เรียกเพราะสละสลวยแก่ลิ้นว่าจตุราริยสัจแปลว่าความจริงของพระอริยเจ้าสี่อย่างซึ่งท่านอ้างว่าความจริงสี่อย่างนี้ เป็นของพระอริยะนั้นอธิบายว่าต่อเป็นพระอริยเจ้าจึงจะเห็นจริงคือพระอริยเจ้าเห็นว่าให้เกิดความทุกจริงตัญหาคือความอยากความดิ้นรนของสัตว์นั้นให้เกิดความทุกจริงพระอมตะมหานิพพานไม่มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นที่ดับทุกจริงและสุขจริงพระอริยะ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมเห็นจริงแจ้งประจักษ์ในธรรมสีอย่างดังนี้และสั่งสอนสัตว์ให้รู้ความจริงเพื่อจะให้ละทุกข์เข้าหาความสุขที่แท้จริงแต่ฝ่ายปุถุชนนั้นเห็นจริงบ้างแต่เล็กน้อยไม่เห็นความจริงแจ้งประจักษ์เหมือนอย่างพระอริยเจ้าทั้งปวงพวกปุถุชนเคยเห็นกลับไปว่าเกิดล้ตายเกิดแล้วตาย เราเกิดก็ดีไม่เป็นทุกข์อะไรนักบางก็ว่าเจ็บก็เจ็บสนุกก็สนุกทุกข์ก็ทุกข์สุข ก, ก็สุขจะกลัวทุกข์ทำไมบางว่าถ้าตายแล้วเกิดใหม่ได้เกิดที่ดีๆเป็นท้าพระยามหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สมบัติมากมายแล้วก็หากลัวทุกข์อะไรไม่ขอแต่อย่าให้ยากจนเท่านั้นบางว่าตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ได้เสวยที่พยสมบัติ มีนางฟ้านับพันแวดล้อมเป็นบริวารเป็นสุขสำราญชื่นออกชื่นใจดังนั้นแล้วถึงจะตายบ่อยๆก็ไม่กลัวทุกข์กลัวร้อนอะไรบางก็ว่าถ้าไปอมะตะมหานิพพานเป็นนอนอยู่เป็นสุขนมนานแต่ผู้เดียวไม่มีคู่เคียงเรียงหมอนจะนอนด้วยแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปก็ เ, เห็นว่าอยู่เพียงเมืองมนุษย์กับเมืองสวรรค์เท่านั้นดีกว่าเขาหาอยากไปหาสุขในนิพพานใหม่ พวกปุถุชนที่เป็นโลกิยชนยอมเห็นไปดังนี้นี่แหละการฟังเทศอริยสัจจะให้รู้ความจริงและเห็นธรรมที่ดับทุกข์เป็นสุขจริงของพระอริยรเจ้าทั้งสี่อย่างนั้นก็ควรฟังเทศเรื่องสิบสองนักสเสจะก่อนจะได้เห็นว่าวันคืนเดือนปีซึ่งเป็นอายุ ข, ของเราย่อมล่วงไปทุกวันทุกเวลาประเดี๋ยวก็เกิดประเดี๋ยวก็แก่ประเดี๋ยวก็เจ็บ ประเดี๋ยวก็ตายเราเวียนวนทนทุกข์อยู่ด้วยความลำบากสี่อย่างนี้แหลไม่รู้จักสิ้นรู้สุดเมื่อเราสลดใจเบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เจ็บตายในโลกแล้วเราก็ควรรีบเร่งก่อสร้างบุญกุศลจนกว่าจะได้มีบา ร, รมีแก่กล้าจะได้ความสุขในสวรรค์และความสุขในอมตะมหานิพพานในภายหน้าซึ่งไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นสุขเที่ยงแท้าถาวร อ, อย่างเดียว ไม่มีทุกข์มาเจอปนเลยแล้วเรื่อง12นักษัตว์คือดาวชื่อเดือน12บสองดาวและดาวชื่อปี12บสองปีและดาวชื่อวันทั้งเจวันนี้เป็นที่นับอายุของเราไม่ให้ประมาทและให้คิดพิจารณาเห็นความจริงในอริยสัจ ท, ทั้งสที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนเราไว้ให้รู้ตามนั้นทีเดียว สาธุชนทั้งหลายผู้มาได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง12นักสัตว์กับอริยสัจสีด้วยในเวลานี้ไม่ควรจะโทมนัสเสียใจต่อผู้ไปนิมนต์ควรจะชื่นชมโสมนัสต่อผู้รับใช้ไปนิมนต์อัตมาภาพมาเทศด้วยถ้าไม่ได้อาศัยผู้นิมนต์เป็นต้นเป็นเหตุดังนี้แล้วที่ไหนจะได้ฟังธรรมเทศนาเรื่อง12นักสัตว์เล่าควรจะโมทนาสาธุ ก, การอวยพรแก่ผู้ไปนิมนต์จงมากเอวังก็มีด้วยประการชนี้ ท่านเจ้าพระยาเจ้าของกันกับสัพบุรุษทายกทั้งปวงได้ฟังธรรมเทศนาเรื่องสิบสองนักสัตว์กับอริยสัจสีของเจ้าพระคุณสมเด็จแล้วต่างก็ชื่นชมยินดีหน้ายิ้มยมแจ่มใสบางก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ใครจะว่า ย, ยิ้มเลยแทบทุกคนเจ้าพระยาเจ้าของกันจึงว่าข้าขอบใจเจ้าคนไปนิมนต์ขอให้เจ้าได้บุญมากๆด้วยกันเถิด